อ่วันในอากาศก็ยันสบายดีอยากโดนก็พากันมาเยอะเครื่องขยายเสียงก็ได้เครื่องใหม่จันทรคุณดีใจขโมยมาขโมยไปสามเครื่องเครื่องนี้ลกเอาไว้อย่างดีเครื่องที่สองเครื่องที่สามก็ลกเอาไว้ก็มาโดนตัดแต่มาตัดเครื่องนี้อีกทงสช้เจ้าคุณนนอนไม่หลับ บอขโมยลักไปปุ๊บเทวดาก็เอามาแทนปุ๊บใจบุญหล่อที่จะมาทำบุญทำทานถวายทานกันขโมยมาขโมยเครื่องไปแล้วก็เออเราได้ทำบุญดูใจขโมยใจของเราไปได้หรือเปล่าบางคนเจ้าคุณไม่ร้องไห้เลยหรือว่าร้องไห้ยก มาฝึกขัดปฏิบัติขัดเกาตัวเองแล้วก็พยายามทําใจให้เข้มแข็งทําใจให้เข้มแข็งอย่าให้ขมโมยใจของเราไปได้เมแต่ตัวของเราไม่ให้ใจของเราโดนขมโมยต้องดูแลรักษาแต่ละวันตื่นขึ้นมาทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการขบกันชันอย่าให้อาหารมันมากระชากหลักใจของเราไปด้วยความอยากเราก็ต้องพยายามดับพยายามหยุด พยายามระงับหยับยัง้งถึงต่ตื่นขึ้นมาสติรู้กายสติรู้ใจไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่ความกังวลมีตั้งแต่ความพุ่งชาติมีั้งแต่นิวรณอัตราของนักปฏิบัติมันพุ่งขึ้นมาเราปฏิบัติเก่งเราปฏิบัติเข่งคนโน้นไม่ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติ ขี้เละก็โยมซะอีกนะึก <c oughs> บางทีโยมนี่ไม่ได้ฝึกขัดปฏิบัติใจดีใจบุญมองโลกในทางที่ดีคิดดีอืพระเหล่านี่ก็ตั้งแต่ยังไม่เป็นคารวะก็ใจดีดีอืพอบวชเข้ามาแล้วก็ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเยอะอัตราของนักปฏิบัติมันก็เยอะอืนอน่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดสลรภาพละสารพัดอย่างนั้นมันเพ่งโทษอืม แย่ก็ขราวาทที่ใจบุญทุนทานใจดีใจอิ่มในมุดใจมีัได้อยากจะให้มี้งแต่ปล่อยมี้งแต่หวงังเราก็ต้องพยายามปยายามดูเข้ามาพึกขัดเข้ามาปฏิบัติอยู่ด้วยการหลายคนหลายท่านยิ่งพยายามอดทนอดกลั้นให้อภัยมองโลกในทางที่ดี ดูจากช่วยเหลือเกือ้อกูลถนอมน้ําใจรักษาน้ําใจเพื่อนหมู่คณะเพื่อนปูงเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขามีอะไรก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขไม่ว่า จ, จะอยู่ที่ไหนถ้าคนเกินสองคนไปแล้วก็อะเลาะบอกแย่งกัน บ่ boy, boy. อยๆ เ, เ, เรื่องเรื่องผู้หญิงมีเรื่องผู้หญิงก็เถียงกันทะเลาะปะแว้งกันพวกขี่มีอยู่ด้วยกันสองคนก็เถียงกันทะเลาะกันคงไม่ใช่สี่ขี่ที่นี่หรอกขี่ที่นี่ใจดีมีความช่ยเหลือซึ่งกันและกันแต่เพอไม่ได้ว่าตั้งแต่กนและมั่ง <laughs> เรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงอันนี้พูดเล่นมีแม่ชีอยู่สองคนคนหนึ่งอายุเจดสิบกว่าเจดบปีอีกคนหนึ่งอายุ16บหปีคนอายุ16หปีนี้บวดชีตั้งแต่ออกโรงเรียนชั้นปวสีวดได้สี่ห้าปี ทนี้แม่ชีอายุ72มาบวชใหม่มาบวชใหม่ก็ถือเจ้าจี้เจ้าการว่าแย่งกันเป็นใหญ่ว่าชองคนแย่งกันเป็นใหญ่ทะเลาะกันไอ้คนตัวเล็กก็ ว, ว่าตัวเองบวชนานต้องเป็นต้องเป็นใหญ่ไอ้คนตัวอายุเยอะก็ ว, ว่าเกิดมาก่อนถึงบวชที่หลังก็ต้องเป็นใหญ่เหมือนกันทะเลาะกันไม่ลงกัน รรมะไม่ลงกันอยู่ด้วยกันแค่สองคนนะอยู่ด้วยกันแค่สองคนทะเลาะ ก, กันไม่ลงกัดหันหลังให้กันอยู่ตั้งนานอ๋อเป็นอย่างนี้ในเองผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้เนี่ใช่ไหมจำพวกผู้หญิงผู้ชายเราก็เหมือนกันทุกคนก็มีจิตมีวิญญาณเหมือนกันไม่ใช่ว่าบวชเข้ามา โหนหัวนุ่งเรืองเรากูปิดพระเลยนะหัวเนี่ยมันยังไม่ใช่ใจยังเกิดยังวิ่งอยู่ใจยังมีกิเลสอยู่บางทีบทเข้ามายิ่งหนากว่าช่วงไม่ได้บทเลยอีกตัวว่าหลายช่วงที่ไม่ได้บวทก็ควักไปสนใจเสแวงหารู้จักควบคุมกายควบคุมวิจารู้จัก อ, อนุนั้นอันนี้พอบทเข้ามาเราหยุดเลยฉันเป็นนักปฏิบัติฉันเจงฉันเช่ง อัตราของกลวาทห้าขันมาบวชเป็นพระอีกห้าขันเป็นสิบล้ะอัตราของนักปฏิบัติอีกห้าขันเป็นสิบห้าแล้วก่างแล้วทีเนี้ยมันก็เลยไปที่ไหนก็ทุกทุกตัวเองยังไม่พอก็ไปโยนความทุกข์ให้คนนั้นโยนความทุกข์ให้คนนี้่คนโน้นก็อูปฏิบัติเจ่งปฏิบัติเช่งออกไปเจอหลายที่เจอเจอเจอเจอมากเยอะมากไหม ไม่เข้าใจในหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติคำเท่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะละ ก, กิเลสละความโลภละความโกรธละความอยากทําความเข้าใจกับวิญญาณของเราการเกิดของวิญญาณเป็นยังไงเป็นกุศลหรือว่าอกุศลออกมาทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจเราดับได้แต่ต้นเหตุละได้จากต้นเหตุหรือไม่ต้องเอาชนะกิเลสตัวนี้จึงจะได้ชนะตน สนมากจะไปเอาชนะคนโน้นคนนี้ละลานคนโน้นคนนี้อัตราของนักปฏิบัติมันขึ้นมาเห็นแล้วก็น่าสงสารโนาทุกคนไปทีเดียวไปย่ำกันช่วงที่ยังไม่ได้อบวชก็ก็ดีช่วงที่บวชเข้ามาแล้วก็ความเจลดค้านไม่รู้มาจากไหนมันเข้ามาครอบงําอืำความขยันมันเพียนเป็นอย่างไรก็ ไม่รู้จกักควนขวายไม่รู้จักสร้างหลักของการปฏิบัติธรรมบางคนไปปฏิบัตขันปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นคนขยันมันเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนขี้เกียจไม่ทําอะไรก็ไม่เป็นไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเชื้อชละฉันจะปฏิบัติอย่างเดียวอแบกภาระแบกสมมุติแบกกายไปให้คนโน้นคนนี้เขาเป็นภาระ แทนที่เราจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบมีความเชื้อสละรู้จักขวนขวายอยู่คนเดียวก็ขวนขวายในการละกิเลสในการทำหน้าที่ของเราให้ดียิ่งอยู่หลายคนก็ยิ่งเพิ่มความเชื้อสละให้เต็มที่อันนี้กลับกลับกันไปฝึกหัดปฏิบัติธรรมกับมีได้กับความเจ็ดคลานมีตั้งแต่นิวรณ์ธรรม มีตั้งแต่มุนทินเขาครอบงําแล้วก็อคาาติคนโน่นคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติเราเก่งเราเข่งเราปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ผิดเลยทีเดียวผิดเลยทีเดียวเราปฏิบัติเพื่อละทิฐิละมานะละอัตราตัวตนไม่จำเป็นต้องไปนันมากมาย่ดูตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวสักกี่ครั้งเตอตจากภายนอกมาทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในเราก็ไม่เคยสังเกต ด, ดูรู้ตั้งแต่ว่าตัวเราเป็นนักปฏิบัติมีตั้งแต่อยู่มีแต่กินอย่างเดียวทํากับข้าวก็ไม่เป็นก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำมั้งไม่ใช่ปฏิบัติทำแต่กินเปลี่ยนพระพระพุทธเจ้าให้กินอยู่ กินแล้วก็ไม่รู้จักลรางรู้จักทําความสะอาดก็มีบางทีพวกผู้หญิงนี่แหละนั่งถ้วยน้่งชามเป็นหรืเปล่าก็ไม่ลงกินแล้วก็แช่มันไว้ในเย็นค่อยล้างมันบางทีอาทิตย์หนึ่งค่อยล้างมันต้องมันจะสะสมไอ้ตัวเล็กๆ็ก น, น้อยๆสะสมแทนที่เราจะกาจัดออกไปให้มันหมดจะไปคอยเอาังแต่ตัวใจๆไอ้ตัวเล็กๆ ก, ก็เลยไม่สนใจดู ไอ้ความคิดเล็กๆนน้อยเกิดจากใจเกิดจากวิญญาณมันก่อตัวยังไงมันเกิดยังไงฝึกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเยอะเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความโค้รใจมันน่าละอายนะน่าสงสารน่าทามีกับใครใน ห, หมอกลกในทางที่ดียิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็ยิ่งเพิ่มความเจรละความรับผิดชอบภพ ม, มิหาร รู้จักรักษาเรารักษาคนอื่นก่อนที่จะพูดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดในหลักธรรมนั้ น, นแม้แต่การพูดการคิดเกิดจากตัวจิตนี่ต้องให้ละให้ดับเลยให้คลายขันหา้าละความเกิดดับความเกิดเช่นกันเหลือตัแต่กสติปัญญาที่สร้างขึ้นมาถ้าคิดในอกุศลก็ยังให้หยุดอีกให้ละให้ดับอีกอมไม่ใช่ว่า กายก็ไม่รู้จักควบคุมบาจาก็ไม่รู้จักควบคุมนี่ยิ่งใจล่ะยิ่งไม่รู้จักควบคบุมยิ่งห่างไกลจะเอาเั้งแต่บุญจะเอาเั้งแต่ธรรมมันก็ได้ตั้งแต่กรรมมันหลยไม่รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่กรรมกรรมมากกรรมน้อยรู้จักปล่อยวางกรรมอยู่เหนือกรรมก็ไม่ทุกทุกตั้งแต่ ก, ก่อนไก่ เราต้องคําเข่งกับตัวของเราใจของเราไม่ให้กิเลสมันมาเล่นงานกลางค่ำกลางคืนเขาออกมาเดินดูใจพยายามช่วยเรืออนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขในใจทิมแทงกันทั้งทั้งวาจาทางใจ อะไรพอละได้ก็ละอะไรพอลดได้ก็ลดเจาะไปให้คนโน่นเขาสอนคนนี้เขาสอนมันไปไม่ถึงไหนหลอกหลอนต้องสอนใจรู้จากฐานของใจไปก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนรู้กันรู้จากแนวทางกันมาพออายุก็มากแล้วเรียนก็เรียนมาสูงแล้วความรับผิดชอบก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องไปพูดไปคุยกันมากเลยสิ่งพวกนี้พูดคุยกันเหมือนกับผนกินเล็ดหนา คนกิเลสเบาบางนั้นฝังนิดเดียวเขาจัดการกับตัวใจของตัวเองให้อยู่มัดเลยในจำเป็นต้องไปบอกไปกล่าวกันมากใหม่ปฏิบัติขัดเข้าตัวเราเพื่อให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ลงไปเรื่อยๆแม้แต่การเกิดการก่อตัวการดำในบางครั้งบางคราวสรพัดยาก ก็จะได้มาให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขมันลํำบากการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่อาศัยที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่ถ่ายที่เยี่ยวแต่กอดมันลํำบากทุกวันนี้ไม่ค่อยจะลำบากเพราะอ น, นิสงค์คนบุญผ ล, ลทานของทุกคนมาช่วยหล่อล้อมกัน พวกท่านก็ยังอย่าพากันมาโม่เมาอยู่ไม่รู้จักพากันฝึกขัดขัดเข่าตัวไม่ตั้งแต่กลว่าจจใจวันน่าละอายไม่สงสารท่านจ้าคุณเลยบอกไม่ฟังเราเป็นนั่งร้องไห้อยู่ใต้เล้าไก่ไก่ตายเกือบหมดเลยปีกายนะเพิ่งเกิดมาใหม่เยอะโอกเกลขันนั่งแต่เช่าขนาดขันนั่งแตีนตแตหนึ่งตีสองยังไม่พากันลุกมาเดิน ไก่ขันปกทุกวันขี่เกียร์โาไก่หนึ่งขีนก็พยายามช่วยกันเป็นบางที่บางที่ก็ทะเลาะหมกแวงกันบางที่ก็ดีดีบางที่ก็ขยันหมันเพีย้ยนบางที่ก็เกลียดคลานคนเราสร้างความเพียนมาไม่เหมือนกัน ก็ให้อยู่ดีมีความสุขทางสมมติก็อ น, นุเคราะห์ให้กับทุกคนแต่กลับมาไม่มีความสมัครสมานสมักขีกันนะอันนี้ก็เสียดายนะอนอะเสียดายอยู่ที่นี่ก็ไม่มีหรอกเพียงแค่เล่าเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเหมือนกับไม่ขี่ทางบ้านไผ่สี่ห้าคนสี่ห้าองค์ สห้าคนถูกกันดีๆมากราบไหวหลวงพ่อว่าเข้าใจในธรรมะมีความสุขว่าออกพรรษามาใส่กางเกงเสื้อผ้ามาอาไหนว่าจะไม่ศึกทำไมจกลงปูไล่ศึกเหมือนนทำไมถึงไล่ศึกแต่ธรรมะไม่ลงกันจนขึ้นลงพักจนได้ขึ้นลงพักมือนกันนั่นแหละ ยิ่งฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าไปไปมามาหลายคนบางคนไม่ชีก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่คนเจียนเรานี่เนไปในตลาดไปสั่งซื้ออันโน้นสั่งซื้ออัน น, นี้ไปชี้อันโ น, น้นอันนี้สามรอกล้ อ, ลอนะมันนนาละอายไปนั่นก็บางที ทะเลาะบาแวงกันฮะต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้สวยๆงามๆต้นมะละกอต้นพริกก่อนที่จะไปไปถอนทิ้งหมดไม่ให้มันได้กลิ่นอวนสารพัดอย่างอยู่คนละทิศละที่ละทางมาอยู่รวมกันเราก็อยู่มาตั้งสามสิปีมาเราก็มาทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ไปทะเลาะเบาแวงกันเราไปมาเถียงกันมาว่ากันมาด่ากันแล้วก็ไปเถี่ยมมา ว่าเราใช่อีกว่าเราไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ไอ้ไอ้เราก็อุตสาดทําให้อนุเคราะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลําบากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องที่พักที่อาศัยผุดขัดปฏิบัติขัดเข้าไปขัดเข้ามาอะไรก็ไม่ดีหมดพ่อใจไม่ดีก็เลยไม่ดีหมดแทนที่จะลดละขัดเก่ากิเลสออกจากใจของตัวเองของตัวเรา ให้มันหมดจดใจของเราไม่ดีก็ไปโทษว่าอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนี่มันไม่ดีก็รีบแก้ไขเถอะจีจะไปนั่นมาทำไมก็รีบแก้ไขไกายของเราใจของเรานั่นแหละธรรมะท่านก็ให้มีอยู่ดูอยู่ที่กายที่ใจของเราแก้ไขที่ใจของเราไม่ใช่ให้ไปอคติไปเพ่งโทษไปว่าไปด่ากันมันไม่มีอย่าให้มีอย่าให้ได้ยิน ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามแจกให้พรับปรุงให้ดูแลใจให้คําเคร่งที่ใจใจก่อตัวใจเกิดเมื่อไหร่ให้จัดการกิเลส ท, ที่ใจของเรากิเลสอยากกิเลสละเอียดอให้มันได้ตลอดเวลากายวิเวกเป็นอย่างงี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้การอนุเคราะห์สงเคราะกันมันเป็นอย่างนี้อืยิ่งตั้งแต่ความไม่มีเราก็ทําให้มีขึ้น ยังเหลือตั้งแต่ไม่ได้ป้อนข้าวกับเพ็รตูดให้เท่านั้นแหละอในหลักโครงการปฏิบัติมันจะไปได้เร็วได้ไว้อาจตั้งใจรลบผ่อนกัดอ่ะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนรู้เรื่องการหายใจเข้าออกรู้สัมผัสของลมหายใจให้ต่อเนื่องอืมถ้าพลังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ใจของเราจะไม่ได้พุงสัน้น ไม่ได้คิดเรื่อยเฉยเรลยเปลื่อยอยู่กับลมหายใจให้รู้ ก, การกระทำในปัจจุบันลึกลงไปถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะเห็นเห็นลักษณะอาการของใจรู้ลักษณะของใจรู้การดับรู้การควบคุมรู้การจําแนกแจกแจงรู้การแยกแยะตามดูละกิเลสให้มันหมดจดออ ก, ก, ก, กจากจิตใจของเราจิตใจของเราจะไม่ได้พุ้งสั้นไม่ได้คิดไม่ได้ทุกข์เราก็พยายามดู พยายามขัดเกลื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังแต่ตื่นขึ้นมาอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลก็ให้เรารีบทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ยุปัจจุบันเราก็พยายามให้รีบทําขณะที่กําลังกายยังแข็งแรงนั่นแหละคือข้อวัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสมัครสมานสมัครคีก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดก่อนที่จะเอ ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ต้องผ่านอุป ส, สรรคสารพัดอย่างนะั <c oughs> ่นเขาเรียกว่าวิบากกรรมกรรมเจ้ากรรมในเวททั้งภายนอกทั้งภายในกรรมในเจ้ากรรมภายในก็อาการของคันห้าของเราที่มาปรุงแต่งใจใจของเราที่เกิดปรุงแต่งเพราะว่าความหลงเรามาจัดการกับใจของเราจัดระบบระเบียบมาหาเหตุมองหให้เห็นเหตุเห็นผลให้ใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริง ให้เขายอมรับความเป็นจริงตรงนี้หลยากขนาดเจริญสติมันยังทำไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่สนใจใจมันจะไปละกิเลสได้ยังไงมันจะไปวางได้ยังไงว่าความอยากก็ปิดกั้นเอาไว้ความเกิดก็ปิดเพียงแค่ความอยากกับความเกิดมันก็ปิดกั้นเอาไว้ไอ้เรื่องขันห้าที่มาปรุงแต่งใจอีกเรื่องการจเจริญสติให้ต่อเนื่องกันอีกมันก็ยังจี้เกียรติคลานในการทา แต่การทำบุญการให้ทานการพักไ่ตรงนั้นมันมีอยู่แต่มันยังดับทุกไม่ได้เราต้องมาทำความเข้าใจกับตัวรายละเอียดลงไปมันก็ทำหมดทุกอย่างนันแหละเพราะว่าคนเราก็อาศัยอเนกสมบูบรณ์บารมีก่อนที่จะขึ้นถึงตัวเรือนก็ต้องอาศัยบันไดอาศัยการเดินขึ้นบันไดทุกขัน้นอะไรตั้งแต่ทานศีลสมาธมิปัญญาถ้าจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็กรพร่องกระแพร่งนั่นไปไม่ถึงไหน ถ้าจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีความเฉสละไม่มีการเอาออกไม่มีการละกิเลสมันก็อยู่ลำบากอยู่แบบเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งอดอ ด, อดยกๆยก็ว่าผมบริหารความเฉสละมันไม่มีจะเอาตั้งแต่ปัญญาเหมือนกับสมัยพุทธกาลก็เคยได้อ่านประวัติของพระอระหันต์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ถึงท่านก็สําเร็จเป็นพระลาหัน์ตั้งแต่สําเร็จเป็นพระอาหน์ตั้งแต่ออกบวชไม่เคยได้ขบได้ฉันอาหารที่ดีเลยมีแต่อดๆอดยากๆจนพระสารีบุตรไปบิณทบาทมาให้ก็ยังไม่ได้ฉันเพราะว่าไม่เคยให้ทานมาก่อดจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวตั้งแต่สมัยเป็นคราวาสได้ดพบก่อนๆไม่เคยให้ทานก็เลยเป็นพระลาหน์ที่อดโซหิวอยากเดือตั้งแต่กระดุกนั่นแหละเพราะว่าอณิช์คนทานมันไม่มี จะเอาเดังแต่ปัญญาอา น, นิสงส์งปุพพหารไม่มีหมู่คณะเพื่อนฝูงไม่มีไปไหนมาไหนก็ไม่มีบริวารเราต้องให้พร้อมมูลหมดทั้งการทําบุญให้ทานทั้งความรับผิดชอบความเสียสละสัจจะมีความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้พร้อมมูลไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากไปที่ไหนก็ไม่ลำบากถ้าคนเรามีความเพียบพร้อมแต่จะให้เพียบพร้อมหมดทุกอย่างมันก็ต้องสร้างขึ้นมาต้องทําขึ้นมา ใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจของเรามีความตะนนีเราก็ต้องพยายามละความตะนนีใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้อภัยทานอาโหสิกรรมจัดการกับเรื่องความเกิดของเราให้มันหมดจดรักษาตัวเรารักษาคนอื่นมองโลกในทางที่ดีไปอยู่ที่ไหนก็มีความชุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขดูเรื่องของเราให้เห็นชัดเจนอ่ะรู้ลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะ อย่าปล่อยใจไปทั่วพยายามสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องแล้วกรู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์จนใจของเรายอมรับความเป็นจริงจนใจของเราไม่เกิดนั่นแหละได้วันนัดิดละหน่อยระลึกได้เมื่อไหร่เราก็รีบดูอย่าว่าไม่ดูอ่าจะเรื่อสติให้ชัดเจนกัน